ร้อยบทที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เป็นคำสารเสริญของอุบาสกท่านหนึ่งนะในสาวยะการนั้นท่านมีศรัทธาในพระเจ้านะแล้วก็ก็เลยสารเสริญจำแนกพุทธคุณนะถึงร้อยประการซึ่งคงจะจำได้ยากนะ แต่ถ้าจะสรุปย่อยๆเนี่ยก็เหลือแค่สองนะก็คือปัญญาและกรุณานะปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมโดยเพราะวาความจริงเกี่ยวกับกายและใจจนกระทั่งหมดทุกข์ไม่มีความเพกัรตัวต่อไปเพราะว่า อัตตาตัวตนนะที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่ามีนะมันก็สลายไปเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวก็สามารถที่จะ เ, เ, เกื้อเฟื้อเกื้ อ, ก, อกูลสรรพสัตว์ได้อย่างไม่มีประมาณนะเกิดจิตใจอันกว้างใหญ่นะไรขอบเขต เพราะถ้งมีอัตตาตัวตนเนี่ยหรือมีความเชื่อมีเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นมันก็จะจํากัดจิตให้ขับแคบเหมือนคุกที่ขังใจเอาไว้พอไม่มีตัวนี้ไม่มีกิเลสแล้วไม่มีอวิชชาด้วยจิตก็แผ่กว้างไม่มีประมาณเกิดความเมตตากรุณาปัญญาที่ทําให้สงบเย็นนะส่วนกรุณาทําให้สามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง อันนี้จะว่าไปก็เป็นอุดมคติของชาวพุทธนะชาวพุทธเราไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยความศรัท ธ, ธานะแต่ว่ายัางพยายามพัฒนาตนให้หรือว่าเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเนะี่ยก็คือมีทั้งปัญญาและกรุณาหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าเข้าถึงซึ่งความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะ อันนี้ถ้าจ้าวุฒิธาท่านได้สรุปเอาไว้นะว่าชีวิต ท, ที่ดีงามชีวิต ท, ที่ประเสริฐก็มีได้แก่ชีวิต ท, ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะสั้นๆแต่ว่ากินความครอบคลุมนะถึงอุดมคติของชาวพุทธแล้วก็สิ่งที่ควรจะบำเพ็ญปฏิบัติการพัฒนาตนเพื่อให้จิตเกิดปัญญาเข้าถึงความสงบเย็นนะ ซึ่งสูงสุดก็คือนิพพานเนี่ยุ้ญญาก็คือเป็นการทําจิตนะส่วนการเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลผูลื่นโดยกรุณาไม่มีประมาณนะนี้เรียกว่าเป็นการทนะํากิจเห็นพูดไปแล้วเมื่อวานวา่าพุทธศาสนานี่ท่านสอนทั้งเรื่องการทําจิตและการทํากิจอย่าไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องการทําจิตอย่างเดียวนะอันนั้นแคบไป ชีวิตที่ดีหรือการบาเพ็ญตนที่ดีเนี่ยนะมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างนะทำจิตด้วยจุดหมายก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาพาจิตเข้าถึงความสงบเย็นและขณะเดียวกันก็บาเพ็ญตนเพื่อเกื้อกูลเพื่อมนุษย์นะพวกนี้ก็ไม่ต้องอย่าไปเข้าใจว่าต้อง สงบเย็นก่อนถึงจะเป็นประโยชน์ได้หรือจะต้องมีปัญญาก่อนถึงจะบำเพญ็ญกรุณาเพือพ่อเพือ่อนมนุษย์ไดนะ้มันทำไปด้วยกันได้นะอย่าไปเข้าใจาว่าต้องนิพพานก่อนแล้วถึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นไะด้บางทีก็มีคำพูดมีความเข้าใจแบบนี้ว่าต้องบรรลุนิพพานก่อนนะประโยชน์ตนสิ้นสุดแล้วถึงจะทำประโยชน์ท่านได้ ถ้าพูดแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้ก็เหมือนกับว่าต้องเรียนจบปริญญาเอกก่อนถึงจะไปสอนอนุบาลได้เราก็รู้ใช่ไหมว่าคนสอนอนุบาล น, นี่ไม่เป็นต้องจบปริญญาเอกหรือว่าจบอุดมศึกษาก่อนไม่มีเรื่องต้องเรียนแล้วถึงค่อยมาสอนอนุบาลคนที่สอนอนุบาล น, นี่ก็อาจจะจบปหนึ่งก็ไ้เองก็ได้จบปสี่ก็สอนอนุบาลได้เพราะว่าความรู้ที่มีก็มากพอที่จะสอนอนุบาล คนจบมัธยมก็สอนประถมไดนะ้ไม่ใช่ว่าต้องจบปริญญาเอกก่อนนะชั้นนั้กัชั้นนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะ ย, ยังไม่บรรลุนิพพานนะปัญญาเรา ย, ายังไม่ถึงที่สุดนะแต่เราก็ยังสามารถเกื้อกูลผู้อื่นได้ก็ให้มีกรุณาก็แล้วกันแล้วกรุณานี่ก็มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนนะเพียงแต่ว่ามนตร์จะออกมาได้ไม่ไม่เต็มที่เพราะว่า ความเพ่งแกตัวหรือว่าความยึดมัน่นอัตตาตัวตนนี่มันครอบเอาไว้มันสกัดเอาไว้แต่ยังมียังมีอยู่นะกรุณาแล้วก็ใช้กรุณานี่แหละนะบำเพ็ญแล้วที่จริงเมื่อเราบำเพ็ญช่วยเหลือผู้นด้วยกรุณามันก็ช่วยลดตัวตนด้วยช่วยละลายคลายความยึดมั่นในตัวตนในหรือความเพ่งแกตัว ซึ่งจะเปิดช่องให้ปัญญานะเจริญงอกงามขึ้นในใจได้นะมันสัมพันธ์กันนะปัญญาก็ช่วยให้เกิดการุณาที่บริสุทธิ์แล้วก็แผกกว้างส่วนขณะดเดียวกันการุณาเนี่ยก็ช่วยนะในการทำให้จิตใจของเราประณีตสงบเกื่อกลนต่อการเกิดปัญญา ได้ในะระเดการถ้าเราเกี่ยวข้องช่วยเหลือผูดอางอย่างรู้จักมียนิ์โสมณสิกานหรือรู้จักคิดนะมันก็ช่วยทําให้เราเกิดปัญญาได้เหมือนกันนะเช่นเห็นเวลาไปช่วยผู้อื่นแล้วเห็นเขามีความทุกข์นะมันก็สอนใจตัวเราเองนะว่านี่เขาทุกข์นะเพราะาเขายึดมั่นถือมั่นนะเขาทุกข์นะเพราะเขาหลงนะเขาลืมตัวนะอันนี้มันก็สอนใจเรานะ สอนทำให้กับเราก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจนะในความทุกข์ของตัวเองนะเห็นทั่วของความยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันก็นําไปสู่การพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็เข้าถึงซึ่งความสงบเจน็นอันปัญญานี้เป็นเรื่องการอมองออกไปข้างนอกออกไปช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนปัญญานี่เป็นเรื่องการนี่กลับเข้ามาเพื่อฝึกฝนตนหรือว่าเคี่ยวเคี่ยวกรรมตนเองคนเราต้องมีทั้ง2อมิตินะออกไปในด้านนึงก็ออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่อีกด้านนึงก็กลับมาที่ตัวเองนะมันจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นี่ก็ทําให้นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะนะ เป็นเรื่องของชายตาบอดในประเทศจีนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วชายตาบอดคนนี้วันหนึ่งก็ไปเยี่ยมเพื่อนก็สนทนากันเอารถออกชาตินะจกนกระทั่งคำ่ำนะได้เวลาชายตาบอดก็อลาเพื่อนจะกลับละแต่ก่อนจะกลับเพื่อนนี่ก็ยื่นโคมไฟให้เป็นโคมกระดาษนะ ชายตาบอกว่ามาให้ฉันทำไมนะเพราะว่าฉันไม่ต้องการตาบอดใช่มเพราะว่าตาบอดแค่ น, นั้นเนี่ยในความมืดก็ไม่ต้องการโครมไฟเพื่อนก็บอกว่าถึงคุณไม่ใช้โคมนี้นะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์สาหรับคนอื่นนะเพราะว่าถ้าคุณถือโคมไปกลางถนนเนี่ย คนนึงก็จะมองเห็นทางแล้วก็เขาก็จะไม่เดินชนคุณนั่นชายตบาบอดก็เลยถือโคมนะแล้วก็เดินกลับบ้านเดินม่พักยายเนี่ยจู่ๆก็มีคนวิ่งมาชนตัวเองเนี่ยจนล้มเลยล้มทั้งสองคนเลยชายตบาบอดโกรธมากแล้วก็หลุดปากขึ้นมาว่าไงแกตาบอดหรืรองไง ไม่ไม่เห็นหรือไงฉันถือโคมอยู่นะคนที่วิ่งมาชนก็ขอโทษข อ, ข อ, ขอโพยแล้วก็บอกว่าโคมของท่านนั้นนะมันดับไปนานแล้วนะนะเรื่องนี้ก็จบเท่านี้นะเราฟังดูแล้วเขาสอนอนะไรเราไหมเขาสอนอะไรหรือเปล่านะถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยเขาให้แง่คิดกับเรานะว่า เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะก็อย่านึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวชายตาบอดเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้โคมนะแต่ว่าเพื่อนก็แนะนำให้ถือเพื่ออะไรนะเพื่อคนอื่นนะคนอื่นที่เขาไม่ตาบอดเนี่ยนะเขาต้องการความสว่างนะการถือโคมนี่ก็ก็เป็นการเอื้อเฟื้อคนเดินถนนด้วย ถึงแม้ตัวไม่ต้องการใช้โคมก็ตามและประโยชน์นั้นก็ไม่ใช่เกิดแก่คนอื่นอย่างเดียวนะมันก็เกิดกับตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อคนอื่นก็เห็นทางเขาก็ไม่มาชนเราแต่ในรายการเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นมีคนมาวิ่งเดินชนนะชายตาบอดจนล้มเนี่ยชายตาบอดเนี่ยก็ไปโทษคนอื่นทันทีเลยนะว่าซุ่มซามนะหรือตาบอด มาเดินชนได้ยังไงนะนะฉันถือโคมอยู่แต่ว่าชายตาบอดไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพ่อโคมของตัวเองดับไปแล้วนะชายตะบอดนี่ไปโทษคนอื่นจนนะไม่เห็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องของตัวเองให้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะทํำอะไรก็นึกถึงตัวเองมองตัว เ, เป็นหลักไม่สนใจ คนอื่นแต่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยก็จะโทษคนอื่นทันทีไม่ได้กลับมามองตนว่าเราบกพร่องผิดพลาดหรือเปล่านี่เป็นวิสัยปูถุชนคนทั่วไปในยามปกติก็นึกถึงประโยชน์ตนนะไม่นึกถึงประโยชน์ท่านแต่ในยามมีเกิดปัญหานี้ก็จะจิต ก, ก็จะเพ่งออกไปที่ข้างนอกนะไม่กลับมามองตน แต่สิ่ที่ควรจะเป็นมากกว่าคือว่าในยามปกติก็นึกถึงคนอื่นนะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่ออื่นแต่เวลาเกิดปัญหานี่ให้กลับมาดูตนนะเรื่องนี้เขาต้องเหมือนก็จะบอกเป็นนาว่าใครที่เวลามีปัญหาแล้วไม่กลับมามองตนเนี่ยก็คือคนตาบอดคนตาบอดนี่จะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองนะมีอะไรก็โทษคนอื่นไ ป, ไปก่อนนะ ถ้าเราไม่อยากเป็นคนตาบอดนี่เราต้องทำตรงข้ามนะก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะโทษคนอื่นทันทีต้อนงะกลับมาดูตัวเองว่าเอ้เราผิดทำอะไรผิดพลาดไหมปัญหาเกิดจากเราอยู่ที่เราหรือเปล่านะแต่ในยามปกติยามธรรมดาไม่มีอะไรยามที่ปกติราบรื่นก็ให้นึกให้มองไปถึงคนอื่นไว้ก่อนนะอันนี้จะว่าไปก็เป็น เป็นควรเป็นท่าทีของชาวพุทธนะก็คือนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นนะแต่เวลามีปัญหาก็ให้กลับมามองตนนะมันเป็นการทวนกระแสนะทวนกระแสจิตใจคนทั่วไปจิตใจคนทั่วไปเนนึกถึงตัวเองก่อนนะแต่ว่าเวลามีปัญหาก็ไปโทษคนอื่นถ้าเราต้องการฝึกใจเนี่ยนะอันหนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือนะการกลับมา มองตนเวลาเกิดปัญหาปัญหาที่ว่านี่นะมันไม่ใช่แค่ปัญหาการงานนะอาจจะรวมถึงเวลาเกิดความทุกข์ในจิตใจด้วยเพราะความทุกข์ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุนะเสียงดังมัางละแดดร้อนบัางละนะเจ้านายไม่เป็นธรรมบ้างละนะแฟนไม่เข้าใจบ้าง เราจะโทษคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่กลับมามองตนทั้งที่คนเราเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะนั่นเป็นเพราะาเราวางใจไม่ถูกเนี่ยเป็นสําคัญไม่มีใครขม้มยความสุขประจากใจเราได้นะถ้าหากว่าใจเราไม่ร่วมมือหรือว่าไม่เออ อ, อไปด้วยอาจารย์ชาติสารท่านพูดดีนะบอกว่าไม่มีใครไม่มีอะไรบั ง, งคับ ให้เราทุกข์ให้เราไม่พอใจได้มีแต่เขามาชวนให้ใหเราไม่พอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคําชวนหรือเปล่านะแปลว่าอะไรถ้าเราทุกข์ก็แปลว่าเราเนี่ยไปรับคําชวนนะถ้าเราไม่พอใจก็แปงว่าเราไปรับคําชวนของเขามันเป็นการเลือกของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษใครก็ไม่ได้นะต้องกลับมาโทษตัวเองว่าเราไปรับคําชวนเขาทาไมนะไปรับคําเชิญเขาทาไม เขาไม่ได้บังคับเรานะเสียงที่ดังเนี่ยก็เพียงแค่ชวนให้เราไม่พอใจนะชวนให้เราหงุดหงิดนะก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราหงุดหงิดถ้าเราไม่พอใจนั่นแปลว่าเรารับนะคชวนคาเชิญของเสียงงั้นอย่าไปโทษเสียงนะต้องมาโทษใจเรานะนะความทุกข์ใจของเรานี่นะไม่ว่า ในเรื่องใดก็ตามจะเป็นความโศกความเศร้านะความพยาบาทความอิจฉาเนี่ยมันล้วนแต่นะมีสาเหตุหลักอยู่ที่ใจของเรานะเปิดช่องนะให้ความทุกข์มันเข้ามาหรือไปร่วมมือนะกับปัจจัยภายนอกทำให้เกิดความทุกข์มาเล่นงานจิตใจหรือซ้ำเติมตัวเอง พุทเจ้าตรัสว่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายนะยาพิษนี่มันอันตรายใช่ไหมแต่ว่าถ้ามือไม่มีแผลนะถูกมันสัมผัสยังไงก็ไม่เป็นอะไรนะแต่เมื่อมือมือมีแผลเมือม่ อ, อ, อไหร่เนี่ยนะตอนนี้แหละนะจับยาพิษถึงจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นยาพิษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญนะปัจจัยสําคัญก็คือมือที่มีแผลนะ ใจของเราก็ถ้ามีแผลนะเจออะไรเข้ามากระทบก็ทุกนะเจอเสียงมากระทบหูก็ทุกนะกายไม่เป็นไรแต่ใจนี่ทุกคําด่าคําว่านะก็เหมือนกันนะมันทําะายใจเราไม่ได้ถ้าใจเราไม่เปิดช่องให้หรือถ้าเราไม่ร่วมมือกับเขาด้วยบ่อยครั้งนี้เราร่วง ม, มือคนที่ด่าเรานะร่วมมือด้วยกัน ไปเอาคําด่าคนที่มาทิมแทงใจตัวเองเขาด่าเพื่อให้เราทุกข์แล้วเราก็ทุกข์สนใจเขาเนะพราะเรายอมร่วมมือเขามีส่วนร่วมนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านบอกว่าเนี่ยคนที่ด่าเราเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาด่าอะไรเราแต่เราก็ทุกข์มันเหมือนกับว่าเขาทิ้งเศษอาหารลงพื้นแล้วเราก็ไปเก็บมาใส่ปากเรานะ หรือเหมือนก็บเขาถ้าผู้เห็นหนาคือเขาถมน้ำลายนะหรือเขาอ้วกลงพื้นเนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บมาใส่ปากเราเนะี่เสร็จแล้วเราก็ท้องเสียนะคำด่าก็เป็นงั้นแหละถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดนะใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมทีอเวลาเราทุกข์เนี่ยก็ต้องถามตัวว่าเราเราไปเอาคำด่าเข้าม า, าทิ่มแทงจิตใจทำไมเนะี นี่ต้องกลับมาโทษตัวเองใครทำอะไรเราไม่ไม่ปไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้อย่างมากก็ทุกข์กายหรือว่าข้าวของเสียหายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เมื่อไหร่นี่ก็ให้ให้รู้ให้ตระหนักว่าเนี่ยนั่นเป็นเพรา ะ, ะใจเราสำคัญมีพระที่เบสท่านหนึ่งเนี่ยนะเมื่อประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยท่าน ถูกทหารจีนจับเราคงทราววัาจีนนี่เคยไปยึดครองทิเบตทุกวันนี้ก็ยังยึดครองอยู่เมื่อมาเกือบ60ปีมาแล้วแล้วก็มีการจับผ้าทิเบตรทรมานอาจจะเพื่อให้บอกขุมทรัพย์หรือเพื่อให้เปลี่ยนาศาสนาเปลี่ยนความเชื่อกันแล้วแต่ก็มีลามาท่านหนึ่งท่านถูกถูกทรมานแลถูกขังคุกอยู่ประมาณเกือบ20ปี ตอนหลังท่านก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วก็ท่านก็เลยรีภายมาอยู่อินเดียก็มีคนไปสัมภาษณ์ท่านว่าเนี่ยช่วงที่ท่านถูกจับเนี่ยทิทิเบตเนี่ยมีช่วงไหนหรือมีเหตุการณ์ไหนที่มันย่ําแย่ที่สุดมันเลวร้วายที่สุดสําหรับท่านทนที่ท่านตอบว่าตอนที่ถูกทรมานนะท่านกลับตอบว่า ช่วงที่เลวร้ายที่สุดก็คือช่วงที่ตมานี่มีความโกรธนะโกรธตอบผู้ที่ทำร้ายตมาอันนี้น่าคิดนะแทนที่จะบอกว่าเลวร้ายที่สุดตอนที่ถูกนะถูกทุบตีนะถูกเอาไฟลนนะเปล่าท่านบอกตอนที่ทัยกสุดคือตอนที่โกรธคนที่ทำกับท่านอย่างนั้น ทำไมถึงโกรธนะทำไมถึงคิดว่ามันเป็นช่วงที่แย่ก็เพราะว่าถ้าโกรธแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิดศีลได้นะอาจจะทำอาจจะทาให้หลุดปากด่าออไปหรือว่าทำร้ายเขาซึ่งเขาจะเป็นบาปเป็นวิบากกรรมแก่ตัวท่านเองนะอันนี้ทําไมได้อธิบายนะแต่แต่นีความหมายหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ว่าตอนที่โกรธเนี่ยมันเป็นช่วงที่แย่สุดเพราะว่ามันเป็น ช่วงที่ไอทำให้สามารถทำบาป ท, ทำชั่วกับผู้อื่นได้ซึ่งมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเองคนหนึ่งก็ทำร้ายเราเนี่ยมันไม่เราไม่บาปนะแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาเนี่ยมันบาปนะแต่คิดว่าประการที่สอนี้ที่สำคัญนะที่ลึกซึ้งไปกว่านนะั้นคือว่าเวลาเขาทำร้ายท่านและท่านไม่โกรธเนี่ยเขาก็ได้แต่ทำร้ายร่างกายแต่ใจไม่ทุกข์แต่เมื่อกรที่ท่านโกรธเนี่ยนะ ความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับท่านและนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดทุกกายไม่เป็นไรนะแต่ทุกใจนี่มันแย่นะอันนี้คิดว่าเราคงจะเห็นด้วยกับท่านนะทุกกายไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกใจมันแย่นะแล้วความทุกข์งคนเราที่ทนไม่ได้ยากคือความทุกข์ใจนะทุกกายนี่ถ้าทุกกายอย่างเดียว น, นี่ไม่เป็นไรนะยังไหวแต่คนส่วนใหญ่เวลาทุกกายนี่ไม่ได้ทุกกายอย่างเดีย น, นะจะทุกข์ใจตามไปด้วย ก็คือโกรธโวยวายตีโพยตีคายหรือไม่ก็ไปยึดเอาความปวดของกายเป็นความปวดของใจคนธรรมดาจะไม่แค่ปวดกายแต่ปวดใจด้วยรู้สึกว่ากูปวดกูปวดกูปวดอันนั้นแหละนะมันทำให้ปวดใจนะความปวดของคนเราทุกครั้งเนี่ยมันไม่เคยมีแต่ปวดกายเดียวมันปวดใจด้วยแต่สับผู้ปฏิบัติเนี่ยนะท่านก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้ถูกได้ กายปวดก็ปวดไปนะทหารจีนจะทรมานท่านอย่างไรก็ปวดแต่กายแต่บางครั้งเนี่ยท่านเผลอนะเผลอโกรธก็จะปวดใจตามไปด้วยและอันนี้มันแยก่กว่านะมันแย่กว่าการที่ปวดกายอย่างเดียวอันนี้ก็ เ, เหตุผลหนึ่งนะที่อาตมาพอจะเดาได้นะว่าทำไมท่านหนึ่งบอกว่าเป็นเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดนะเพราะว่าสามารถทำให้ท่านผิดศีลก็ได้หรือว่าสามารถ เป็นช่วงมันทำให้ท่านเนี่ยมีความทุกข์ยิ่งกว่าเดิมคนเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่านะมันเหนื่อยแต่กายนะแต่ใจไม่เหนื่อยนะเราก็ทำงานได้เต็มที่นะสังเกตไหมเวลาเราทำงานเนี่ยเหนื่อยกายยังไงแต่ใจไม่เหนื่อยนะแถมใจสนุกนะโอ้ทำเท่าไหร่เท่ากันนะหลายคนในพวความสุขถึงแม้ว่ากายจะเหนื่อยนะนั่นเพราะว่าในภาวะนั้นตอนนั้นเนี่ย ใจเขาไม่ทุกข์ด้วยใจเขาไม่เหนื่อยด้วยแต่คนบางคนนี่ไม่ทําอะไรเลยนะกายไม่ทําเลยแต่ว่าใจมันทุกข์ใจมันท้อโอ้นี่มันทรมานมากมันทำได้นะถึงแม้กายเหนื่อยนะแต่ใจไม่เหนื่อยนะเราก็เคยผ่านเคยพบนะประสบการณ์แบบนี้ถ้าเราสังเกตหรือพอเวลาเราไปช่วยเหลือใครเนี่ยนะมันเหนื่อยนะไปปลูกป่านี่นะเหนื่อยแดดร้อนนะ แต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกเลยนะใจมีแต่ความปิติอันนี้ก็เราก็จะพบกับความพึงพอใจในสภาพเช่นนั้นนะกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยทําได้นะแต่เราก็ไม่เป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่ว่าเออที่กายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยเพราะว่ามีเพื่อนไปร่วมไปร่วมทําด้วยหลายคนเนี่ยเวลาไปเดินธรรมญาตรานี่นะโอ้เดินมาเป็นเป็นร้อยนะ บางช่วงบางวันนี่เดินกันหนักมากนะอย่างปีที่แล้วนี่ก็เดินกัน25กิกิโลนะแดด ก, ก็ร้อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่บ่นนะไม่บ่นนะเพราะว่าสนุกนะสนุกเดินกันไปก็บางทีก็กระซ้ายเย้าแย่กันไปนะที่จริงเขาอยเดินด้วยความเงียบนะแต่ว่าอดไม่ได้นะพอกระซ้ายเย้าแล้วก็เกิดเพลินขึ้นมา กายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยนะแล้วก็ไม่เข็ดนะอยากจะมาเดินอีกนะอันนี้หลายคนก็พบว่าโหถึงแม้กายเหนื่อยนะแต่ใจมันไม่ทุกข์ก็ทำได้นะแต่นั้นเป็นเพราะอาศัยสิ่งว่าล้อมเช่นเพื่อนแต่ถึงแม้เราเดินคนเดียวนะถ้าเราเดินเป็นนะมันก็เหนื่อยแต่กายใจไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราอนาะรู้จักกลับมาดูกลับมาดูใจ ใจมันเหนื่อยเพราะมันบนใจมันเดือดมันเหนื่อยเพราะมันมัวแต่จดจ้องถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็บ่นว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหรือว่าใจมันเหนื่อยเพราะว่าแดดเผานะพอกายร้อนนะเผลอสติไม่มีสติจิตมันก็ไปดับไปไปปักตรึงอยู่ที่ความร้อนของกายมันก็เลยทุกข์ใจไปด้วยนะหรือไม่ก็ไปยึดไปปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ร้อนผู้เหนื่อย กายมันก็เลยไม่ใช่แค่เหนื่อยอย่างเดียวมันมีกูผู้เหนือ่อยกูผู้ร้อนนะตรงนี้แหละที่ทำให้ใจเป็นทุกข์มากนันถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเร า, เราจะทำอะไรเราจะอยู่ที่ไหนเจออะไรเนี่ยมันก็สงบได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องสงบเวลาอยู่ในวัดสงบแต่เฉพาะเวลาอยู่กุฏิสงบเมื่อไม่มีเสียงดังสงบเมื่อไม่ต้องทำงานนะ เราสามารถจะสงบได้ทุกที่สามารถสงบได้ในทุกการกระทําแล้วก็ในทุกสถานการณ์นะเพราะว่านะรู้จักวางใจถูกนะะการที่เรารู้จักวางใจเป็นโดยเพามีสติเนี่ยสำคัญมากนะเมื่เราทํางานเนี่ยนะถ้าเราทาํางานมีสตินะมันก็จะเหนื่อยแต่กายใจไม่เหนื่อยแล้วทำให้ทําทําให้ ทำได้นานและทำได้ดีด้วยมีเพื่อตามานี่เป็นเป็นพระเซนชาวอเมริกันน ะ, ะเล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์ของเขานนะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็ไปสร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกชื่อท่านชุนริวสุสุกิท่านนี้ก็มีชื่อมากในในหมู่นักปฏิบัติธรรมฝ่ายเซนในยุโรปในอเมริกา ก็มีเรื่องรลา ว, ว่าตอนที่สร้างวัดเซนในซานฟรานซิสโกใหม่ๆเนี่ยนะท่านต้องลงมือสร้างเองเลยนะแต่ว่าโชคดีมีลูกศิษย์มาช่วยสร้างนลูกศิษย์ก็เป็นหนุ่มสาวชาวอเมริกันอายุก็ไม่ถึง20หรือ20ต้นๆนะเป็นพวกคล้ายๆกับฮนะิปปี้อ่ะนะพวกนี้เขาเริ่มปฏิเสธวัตถุนิยมแล้วก็ศาสนาคริสต์เขาก็มาสนใจศาสนาตันออกเพเซน หนุ่มสาวยังมาช่วยสร้างแบกอิดแบกหินแบกไม้แต่ทำไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเออทำไม่ได้ครึ่งวันนะก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรีวยังทําอยู่เรื่อยๆอาจารย์นี่ก็อายุ60แล้วนะตัวก็เล็กเล็กกว่าลูกศิษย์มากเลยแต่ทําได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็แปลกใจก็เลยถามว่าอาจารย์ทําได้ยังไงนะอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่ยลูกศิษย์นี่งงเลยนะ อาจารย์ทําตลอดเวลาแล้วบอกว่าพักตัวยังไงกายทํางานแต่ใจนี่พักนะกายนี่แบกหินแต่ใจแค่ดูเฉยๆนะกายแบกไม้นะแต่ว่าใจไม่ได้แบกด้วยใจแค่ดนะูส่วนใหญ่นี่เวลากลายแบกใจก็แบกด้วยนะเวลากลายทุกใจก็ทุกกับกายด้วยนะนี่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า ไม่รู้จักมองตนนะไม่รู้จักกลับมาดูใจปล่อยให้ใจไปร่วมไปจมทุกข์กับกายด้วยนะกายแบกหินใจก็แบกความทุกข์เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะหรือไม่ก็ไปแบกความเหนื่อยไปยึดความเหนื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อยของกูไปอันนี้พราะไม่มีสตินะเพราะว่าไม่รู้จักดูใจทั้งที่ถ้าหากว่า ดูใจให้เป็นเนี่ยนะมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเองคนเราก็บอกว่ารักตัวรักตัวนะพูดกันทุกคนนะว่ารักตัวรักตัวแต่ว่าซ้ำเติมตัวเองหาความทุกข์มาใส่ใจโดยไม่รู้ตัวแม้แต่เวลาทางานแทนที่จะเหนื่อยแค่อย่างเดียวคือเหนื่อยกายก็เหนื่อยใจด้วยนะเพราะว่าไม่รู้จักใช้ใจเนี่ยเป็นผู้ดูนะเวลากายทำอะไรใจก็ดูเฉยเฉยนะแค่นี้มัน มันก็ช่วยทำให้ลดความทุกข์ไปได้เยอะแต่อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อสองวันก่อนว่าใจเนี่ยมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆมันชอบทำโน่นทำนี่แล้วก็ไอ้ที่มันทำหลายครั้งก็เป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวไปหยิบเอาความเหนื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อยของใจนะหรือว่าไปเอาคำด่าของเขาเนี่มาทิ่มแทงใจตัวเองนะมันซ้าเติมตัวเองแท้ๆนะ อย่างนี้เราเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าหรือว่ากำลังทำร้ายตัวเองที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลผู้คนผ่านปัญญาสามย่อมทำกับตัวเองเหมือนศัตรูเนี่ยความหมายนั้นก็คือนนี้แหละก็คือทำร้ายตัวเองนะแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองมีอะไรมากระทบแล้วก็มันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันสักแต่ว่าคือกระทบกายแต่ว่าไม่ ไม่ทะลุไม่กระเทือนมาถึงใจถึงเวลาทำงานนะถึงเวลาทำงานนะกายมันทำแต่ใจก็แค่ดูเฉยๆซักผ้านะกวาดบ้านขนหินแบกไม้กายทำไปนะใจดูใจดูเฉยๆนะสบายไหม น, นี่น่าสบายเนี่ยที่เราเรียกว่าสามารถจะสงบเย็นได้เท้านั้งที่เป็นประโยชนนะ์เป็นประโยชน์ไม่ได้ทาให้จิตใจว้าวุ่นนะ บางคนไปเคียวหวยถ้าไปช่วยคนอื่นช่วยงานการนะมันทำให้ใจว้าวุ่นอันนั้นพาะไม่รู้จักวางใจนะเราสามารถจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำกิจที่เกื้อกูลได้โดยที่ใจก็สงบนะเพราะว่ากายทำนะแต่ใจเป็นผู้ดูเฉยๆนะหรือว่าแค่รู้เฉยๆนะอันนี้เป็นศิล ป, ปะในการทำงานศิล ป, ปะในการดำเนินชีวิตนะมันเกื้อกูลทั้งทางโลหะทางธรรม แล้วถ้าถ้าใจเป็นผู้ดูเฉยๆนี่นะมันก็สงบได้ไปอยู่ที่ไหนนะแดดร้อนเสียงหรือกระทึกนะคนว้าวุ่นพลุกพล่านนะใจเราก็ส่งบเพราะเราดูเฉยๆนะไม่ใช่ไปร่วมบงกับเขาด้วยและนี่แหละที่ทําให้เกิดความสงบนะอย่างแท้จริงนะความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไร หลายคนเนี่ยไปนึกถึงแล้วก็รู้จักแต่ความสงบที่อาศัยสถานที่นะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมต้องไม่มีเสียงดังนะนั้นะแล้วก็ต้องไม่มีใครมายุ่งกับชั้นนะนะแล้วก็ชั้นก็จะไม่ยุ่งกับเขาด้วยนะใครเดือดร้อนอะไรมีงานของส่วนรวมฉันก็ไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวทำให้ใจชั้นไม่สงบนะคนที่รู้จักแต่ความสงบ แบบนี้เนี่ยซึ่งจะมาเรียอความสงบเพราะไม่รู้หรือตัดการรับรู้เนี่ยมันจะทําให้อ่อนแอได้ง่ายจะทําให้กลายเป็นคนเพงแกตัวได้ง่ายเขาทําอะไรกันทั้งวัดเขาทาอะไรกันทั้งชุมชนนะแต่ว่าตัวเองก็หลบนะอันนี้เป็นความอ่อนแอแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวทําให้กลายเป็นความเพ่งแกตัวได้แต่ถ้าสงบท่านั่งที่รู้สงบรู้สงบเพราะรู้นะ เกิดอะไรขึ้นกับใจก็รู้ใจกระเพื่อมก็รู้ใจแฟบก็รู้กลัวก็รู้งุก็รู้มันก็ทำให้กลับมาเป็นปกติทำงานใจก็เป็นผู้ดูเฉยๆนะกายทำไปใจดูแต่ต่อไปในเวลาปวดนะกายปวดใจก็แค่ดูเฉยๆนะใจก็จะไม่ร่วมปวดกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะเพราะว่าสักวันนึงเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยแลถ้าไมไม่ฝึกใจเลยนะ มันไม่ใช่ครป่วยกายมันก็ป่วยใจด้วยกูปวดกูปวดกูปวดนะบางทีก็ถึงกับบอกว่าเนี่ยอยากตายอยากตายอยากตายทําไมถึงต้องเป็นกูนะนะีอันเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักนะรักษาใจให้ดีปล่อยให้ใจไปร่วมทุกข์กับกายด้วยนะปล่อยให้ใจในปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์ผู้ปวดแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจดีนะมีสติมีปัญญานะ กายปวยยังไงใจก็แค่ดูเฉยๆมันก็พอทนไหวนะและนี่แหละก็คื อ, อสิ่งทีนะ่เราควรทำและทำไดนะ้อันนี้เพราะเราทำจิตนะเราทำจิตควบคู่กับการทำกิจด้วยเดี๋ยว่าการทำจิตที่เป็นการเจริญสตินะให้กลับมาดูใจของเรานะในยามทุกข์ก็กลับมาดูใจนะ ที่จริงในยามสุขก็เหมือนกันนะยามสุขก็ต้องกลับมาดูใจอย่าไปเพลินอย่าไปเคลิ้มเพราะว่าถ้าไปเคลิ้มกับความสุขเวลาความสุขมันหายไปนะใจก็ทุกเวลาเขา ก, กดไลค์เราดีใจนะปลืม้มพอเขาไม่กดไลค์เท่านั้นแหละเราก็ห่อเหี่ยวเลยเขายังไม่ทันจะคอมเมนต์เลยนะเราก็ทุกไปสละนะยิ่งดีใจในคําชมก็ยิ่งทุกนะเมื่อมีคำำําตําหนิหรือเขาไม่สารเสรือเราเท่านั้นแหละ ดูใจบ่อยๆนะทำแล้วก็กลับมาดูใจของเราอย่าอย่าอย่าอย่าอย่ามองข้ามโดยเพราะเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้ต้องกลับมาดูใจสำรวจใจเราว่าสำรวจตัวเราว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่ไปโทษคนอื่นตะพึตตะพื้